ชาวบ้านหาดปากเมงโวยอุทยานเจ้าไหมนําเจ้าหน้าที่ขวางชาวบ้านขายอาหารริมหาดปากเมงวางโต๊ะเก้าอี้บริการนักท่องเที่ยวชาวบ้านชี้เป็นการกระทําที่ขัดความสุขชาวบ้านตามนโยบายคืนความสุขแก่ประชาชนของคอสอชอชาวบ้านเตรียมเดินทาง ขอความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมวันที่10ธันวาคม2557ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำน่ายอาหารแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดปากเมงหมู่4ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรงังได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าในช่วงเช้าวันนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมนําโดยนายมาโนธวงสุริรัตน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมและเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสิเการวมประมาณยี่สิบนายเข้ามาประกาศขัดขวางห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งจําหน่ายอาหารแก่นักท่องเที่ยว นำโต๊ะเก้าอี้เข้าวางบริเวณช้หาดปากเมงพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการโต๊ะเก้าอี้ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารนำมาให้บริการโดยอ้างถึงคำประกาศคอสอชอหากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและจะต้องถูกดาเนินคดีตาม ประกาศคอสอชอในการจัดระเบียบหาดปากเมงเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมโดยชาวบ้านได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้นําป้ายมาปักไว้หน้าร้านค้าของชาวบ้านบริเวณชายหาดปากเมงโดยอ้างถึงความผิดทั้งผู้ให้ และผู้ใช้บริการบริการทำให้นักท่องเที่ยวบางรายไม่กล้าใช้บริการจากร้านค้าบริเวณชายหาดปากเมงบางรายเปลี่ยนสถานท้่ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอื่นที่ไม่มีปัญหาด้านสถานที่ท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่อุทยานทำให้ช่วงนี้แม้จะเป็นช่วงวันหยุด ซึ่งควรจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าทุกวันนี้ทำให้ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพขายอาหารแก่นักท่องเที่ยวต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากนายเฉลิมทองดีนุย้ยรักษาการประธานชุมชนคนรักปากเมงอยู่บ้านเลขที่155ทับสามหมู่ที่สี่ ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กล่าวว่าหลังจากที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเข้ามาในพื้นที่โดยอ้างว่าเพื่อจัดระเบียบหาดปากเมงทำให้ชาวบ้านซึ่งประกรอบอาชีพขายอาหารแก่นักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้าน ได้เข้าหารือกับอุทยานเพื่อขอตั้งโต๊ะเก้าอี้ในช่วงวันหยุดเพื่อให้ชาวบ้านสามารถมีรายได้เลี้ยงชีพพออยู่ได้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากอุทยานแห่งชาติฮารตเจ้าไหมแต่เพื่อความอยู่รอดของชาวบ้านเองเลยต้องแอบวางโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้บริการ นักท่องเที่ยวแบบหลบหลบซ่อนซ่อนคือเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานมือมาก็ต้องรีบเก็บโต๊ะเก้าอี้แล้วเอาเสื่อบริการให้นักท่องเที่ยวชั่วคราวและเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานกลับไปก็นาโต๊ะเก้าอี้มาบริการนักท่องเที่ยวใหม่เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดสร้างความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว และชาวบ้านผู้ประกอบการขายอาหารแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและช่วงหลังชาวบ้านที่สุดทนมักจะมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นรักษาการประธานชุมชนคนรักปากเมงยังกล่าวว่าการกระทำของอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไหมถือว่าไม่ใช่ เป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนแต่เป็นการทำลายความสุขของประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะตามที่ประธานคอสอชอได้กล่าวว่าจะคืนความสุขแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ตนเองขอเรียนไปยังประธานคอสอชอว่า ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่หาดปากเมงไม่มีความสุขจากการทำหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่เลยและหลังจากนี้ชาวบ้านหาดปากเมงจะลารายชื่อเพื่อไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังต่อไปขณะที่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโต๊ะ เกาอี้บริเวณชายหาดปากเมงได้กล่าวว่าการที่นักท่องเที่ยวมีโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารและพักผ่อนย่อมดีกว่าต้องนั่งกับพื้นทรายโดยเฉพาะเห็นว่าจังหวัดตรังช่วงนี้ฝนตกบ่อยหากต้องนั่งกับพื้นทรายคงไม่ดีอย่างแน่นอนซึ่งเห็นด้วยกับการที่ร้านอาหาร ได้นำโต๊ะเก้าอี้มาให้บริการนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เสียหายต่อทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวมากนักและเห็นว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเจ้าของร้านค้าก็ได้เก็บโต๊ะและเก้าอี้กลับไปแต่เห็นดีต่างหากที่นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายกับการให้บริการกับนักท่องเที่ยว จากร้านค้าหรือร้านอาหารส่วนทางด้านนางสาวดวงกมลแสงศรีจันทร์เจ้าของร้านปาริชาติเลขที่15หมู่4ตำบลไม่ฝาดอำเภอสิเกา่ากล่าวด้วยว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้เข้ามาสั่งการห้ามไม่ให้เจ้าของร้านอาหารนำโต๊ะ เก้าอี้เข้าวางบริเวณใช้หาดปากเมงพร้อมกับมีการปักป้ายเพื่อแจ้งให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยอ้างคำสั่งประธานคสอชอพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งการกระทำของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจึงขอเรียน ให้ประธานคอสอชอได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหาดปากเมงด้วย